เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ชอบฟังเรื่องสงบผู้ติดเหยื่อของโลก 5 อย่างเหล่านี้ 5 อย่าง รูปทภาที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่ <c oughs> บางคนอ่านไปก็สงสัยว่าลกามกุล 5 มันคืออะไรอาตมา ในข้อสุดนี้เรื่องนี้ก็จะบอกนะกรรมคุณ 5 คืออะไรเนี่ยรูปที่เห็นด้วยตาเสียง 5 อย่างนี่ นะใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้เพราะข้อ มีอัชฌาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้อยคําสําหรับๆย่อมอนุโลมต่อกามคุณนั้น บุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นด้วยนะสิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษเพื่อน 2 อ่ะเพื่อน 2 นะ อัตตาพอใจมีชันทะล้อมไปในเหยียดของโลกๆอืม ที่ผ่านไปมาอยู่ฟังไม่เนี่ยคําพูดพวกนี้ก็จะจะอยู่ในพระสูตรอย่างสุตตันตะ ลักษณะอย่างนี้เราจะเจอคําซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆ <c oughs> บุรุษนั้นก็ไม่สนใจด้วยคําชนิดนั้นสุนัขคตะเปรียบเหมือนบุรุษผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไป ไม่ถามว่าเธอทําสมาธิยังไงเธอได้ นะ? 5 นะอืมสุนักขตะเธอจะเข้าใจว่า ย่อมสนใจบุรุษนั้นมิใช่หรืออืมนั้นไปเจออีกพระสูตรหนึ่งคุเนี่ยการเนี่ยจะเป็นไปด้วยกันไม่ได้ teniu en In...